ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 สแผ่นที่68โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเ p 3สแผ่นที่68ให้คติธรรมว่าปาปานังอากร ะ, ระนังสุขขัง การไม่ทำบาปนำมาซึ่งความสุข MP สแผ่นนี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้กติธรรมเป็นเบื้องต้นว่าการไม่ทำบาปนำมาซึ่งความสุขการทำบาปทำได้สามทางคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ตามพ่จริงถ้าเรียงตามลำดับให้ถูกต้อง ควรจะว่ามโนกรรมต้องคิดซะก่อนจากนั้นออกมาทางกายกรรมคือการกระทําทางกายวิจิกรรมคือการกระทําคือการพูดออกมาทางวาจาอันนี้คือการทํากรรมทําได้สามทางเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเราจะรู้ได้ว่าการทํากรรมนั้นเราจะทําอย่างไรจึงจะรู้ได้ ถ้าคนที่ขาดสตคดิคนที่โกรธมากคนที่โลภมากคนที่หลงตัวเองมากจะไม่รู้ว่าการทําบาปกรรมนั้นเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองคิดขึ้นมาอันไหนคิดผิดอันไหนคิดถูกในเมื่อคิดผิดเราการกระทําออกไปพูดออกไปมันก็ผิด ถ้าคิดถูกพูดออกไปทําออกไปถ้าคิดถูกแล้วมันก็ถูกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสรุปแล้วก็คือก่อนที่จะทําอย่างนั้นได้ต้องฝึกหัดเรื่องสติสัมปชัญญะให้อยู่กับตัวเองถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะเฝ้าอยู่กับตนเองการที่จะคิด ทำพูดออกไปก็จะไม่เป็นบาปเพราะเรารู้อยู่ว่าอันไหนที่จะเป็นบาปเราจะไม่ทําเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านฝึกหัดเจ็ดของตนเองให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วการไม่ทําบาปนั้นพวกเราจะรู้ได้ว่าการไม่ทําบาป นำมาซึ่งความสุขคนที่ไม่ทำความชั่วนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญไปนักสถานที่ใดมีแต่คนจกจ้องเชิดชูอย่างพระพุทธเจ้าพระหันตรักษาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านไปนัสถานที่ใดมีแต่คนให้ความกรบนับถือเลื่อมใสเพื่ออไรเพราะท่านไม่ทำบาปท่านทำแต่คุณประโยชน์ให้กับโลกเพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายควรจะยึดแนวแถวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราที่รักเคารพนับถือเริ่มใสนํำมาประพฤติธปฏิบัติก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปด้วยอำนาจคุณพระสีะรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก